บ้านเก็บศพเรือนหอคนตายพุทธมนทนเรื่องราวนี้ได้เกิดขึ้นเมื่อวันที่24ตุลาคม2555ซึ่งเป็นประสบการณ์ตรงที่ได้เจอกับเรื่องราวสุดฉยองขันกันแบบจาดจาัโดยคุณมาร์คได้เล่าให้ฟังว่าตอนนั้นผมเพิ่งเข้ามาใส่อยู่ในกรุงเทพใหม่ๆ ม, มีอาชีพเป็นมอเตอร์ไซค์รับจ้างอยู่แถวบริเวณพุทธมนทน ปกติผมจะรับป้าแม่บ้านคนหนึ่งเพื่อที่จะไปส่งยังบ้านหรูในอีกซอยหนึ่งเป็นประจำเมื่อรับส่งมาได้ระยะหนึ่งแล้วก็เลยถามคุณป้าว่าสนใจที่จะเป็นลูกค้าประจําของผมไหมจะได้คอยมารับมาส่งตลอดซึ่งคุณป้าก็ตอบตกลงในทันทีบ้านหลังนี้ที่คุณป้ามักจะไปเป็นประจํานั้นมีลักษณะเป็นบ้านที่หลังใหญ่ลมรื่นมีต้นไม้อยู่เยอะมาก ป้าแกก็มักจะมาให้ผมไปรับไปส่งทุกวันพระซึ่งผมก็ไม่เคยสงสัยและไม่เคยถามถึงเหตุผลของแกเลยสักตังเท่าที่ผมรู้ก็รู้เพียงแต่ว่าบ้านหลังนี้มีชายหญิงคู่หนึ่งอาศัยอยู่เท่านั้นเพราะทุกครั้งที่ไปส่งแกก็มักจะเห็นเขายืนมองอยู่ตรงหน้าต่างเสมอเวลาผ่านไปทุกอย่างปกติดีจนเพื่อนวินมอเตอร์ไซค์ด้วยกันกับผม จูๆก็นึกถามขึ้นมาว่าแม่บ้านลูกค้าประจำของผมเนี่ยผมมักจะไปส่งที่ไหนบ้างผมจึงบอกให้เพื่อนฟังว่าผมมักจะไปส่งแกที่บ้านหลังนี้เพื่อนก็ทำหน้าตกใจแล้วบอกกับผมว่ารู้ไ้ยว่าบ้านหลังนั้นเขาเก็บศพไว้ในบ้านส่วนตัวผมนั้นก็ไม่ค่อยจะเชื่อสักเท่าไหร่พอไปแต่ละครั้งก็เห็นมีคนอยู่เป็นปกติดี แถมป้าแม่บ้านเขาก็ไปทำความสะอาดอยู่เป็นประจำจนกระทั่งวันหนึ่งป้าแกก็วานขอให้ผมช่วยยกของตรงบริเวณชั้นล่างของบ้านออกมาให้หน่อยซึ่งแกก็บอกว่าขอรบกวนเวลาเพียงแค่แป๊บเดียวเท่านั้นผมก็เลยเดินเข้าบ้านไปเพื่อที่จะไปช่วยแกเมื่อเขาไปยังตัวบ้านหลังนั้นก็เห็นเฟอร์นิเจอร์สวยงามหรูหรามากมายตั้งอยู่ และ ว, วางยังเป็นระเบียบเรียบร้อยดูสะอาดตาซึ่งมันก็ดูเหมือนบ้านที่มีคนอาศัยอยู่โดยทั่วๆ่วไปแล้วป้าแกก็วานให้ผมช่วยยกของชิ้นนั้นขึ้นไปยังชั้นสองส่วนตัวป้าก็กำลังจะลงไปหยิบของชั้นล่างแล้วก็บอกกับผมว่าให้รออยู่ข้างบนแป๊บหนึ่งและกำชับอีกว่าอย่าเปิดห้องนี้นะเพราะเป็นห้องของเจ้านาย พอแม่บ้านลงไปแล้วขณะที่ผมยืนรออยู่นั้นความคิดของเพื่อนวินมอเตอร์ไซค์ก็ผุดขึ้นมาในหัวบ้านหลังนี้มีศพอยู่ในบ้านแต่ด้วยความไม่เชื่อเลยอยากพิสูจน์ให้เพื่อนๆได้รู้ว่าบ้านหลังนี้มันไม่มีอะไรหรอกก็เพียงบ้านคนธรรมดาหลังหนึ่งเท่านั้นเองแต่เมื่อผมกำลังเดินไปยังประตูนหน้าห้องนั้นก็เหลือบไปเห็นผู้หญิงและผู้ชายเดินอยู่บริเวณห้องถงข้างๆ แล้วก็หายเข้าไปอีกห้องหนึ่งซึ่งตอนนั้นผมก็ไม่ได้คิดอะไรก็เดินตรงไปยังห้องที่แม่บ้านห้ามเข้าต่อเมื่อผมบิดลูกบิดประตูแล้วก็ค่อยๆผลักประตูเข้าไปสิ่งที่เห็นอยู่ตรงหน้านั้นก็คือ เตียงนอนขนาดใหญ่และตู้เสื้อผ้าเหมือนห้องนอนปกติดูดแล้วก็ไม่เห็นมีอะไรแต่เมื่อผมกำลังจะปิดประตูห้องนั้นสายตาก็เหลือบไปเห็นโลงแก้วขนาดใหญ่ซึ่งสามารถมองเห็นภายในโลงได้อย่างชัดเจนสิ่งที่ผมได้เห็นนั้นคือร่างไร้วิญญาณของชายหญิงสวมชุดเจ้าบ่าวและเจ้าสาวนอนอยู่ข้างๆกันซึ่งผมคิดว่า น่าจะเป็นสองหญิงชายที่ผมมักจะเห็นเป็นประจำตรงหน้าต่างบานเดียวกันนั้นผมตกใจช็อกและกลัวมากแต่ก็อดกลั้นเอาไว้ไม่เปล่งเสียงออกมาตอนนั้นขาสั่นจนควบคุมไม่ได้แทบจะล้มทั้งยืนเมื่อตั้งสติได้ผมจึงค่อยๆเดินลงบันไดไปชา้ชาๆทีละขั้นเนื่องจากขาแทบจะไม่มีแรงยืนแล้วกลัวจะตกบันได ขณะที่กําลังค่อยๆเดินลงไปนั้นผมก็หันไปมองที่ประตูห้องนั้นก็ได้เห็นหญิงชายคู่นั้นยืนอยู่หน้าห้องในสภาพตัวขาวซีดน่ากลัวมากๆผมจึงหันกลับมาแล้วพยายามรีบก้าวขาลงไปอีกขั้นแต่หญิงชายคู่นั้นก็มายืนอยู่ตรงทางลงบันไดแล้วผมสตีลุดวิ่งกระเจิดกระเจิงลงบันไดสวนกับป้าแม่บ้านพอดีแต่ป้าแก ก็คว้ามือมาจับผมไว้ได้ทันแล้วก็ดุผมว่าบอกแล้วว่าอย่าเปิดห้องนั้นเป็นอย่างไรล่ะแล้วป้าแกก็กําชับบอกกับผมว่าอย่าเอาเรื่องนี้ไปบอกใครเด็ดขาดซึ่งตอนนั้นผมก็พ ย, ยัยหน้าตอบตกลงและขอออกไปคุยกันข้างนอกบ้านดีกว่าเพราะคงอยู่ในบ้านหลังนี้ต่อไปไม่ไหวแล้วเมื่อผมออกมานอกบ้านสักพักสกติก็กลับคืนมา จึงได้เล่าบอกป้าว่าผมไม่ได้เจอแค่ศพอย่างเดียวนะแต่ว่าเจอผีด้วยเป็นหญิงชายที่มักจะเห็นตอนมาส่งป้าอยู่เป็นประจำป้าจึงได้เล่าให้ฟังว่าสาเหตุที่เขายังเก็บศพไวในบ้านแล้วไม่นำไปประกอบพิธีทางาศาสนาก็เพราะว่าเมื่อครั้งที่หญิงชายคู่นี้ได้แต่งงานกันใหม่ๆได้ใช้บ้านหลังนี้เป็นเรือนหอของพวกเขาแล้วไปฮันนีมูนกัน แต่ได้ประสบอุบัติเหตุขณะดเดินทางกลับทำให้ทั้งสองเสียชีวิตพร้อมกันทั้งคู่ทำให้ญาติญาติของทั้งคู่ไม่สามารถจะทำใจได้อีกทั้งเจ้าบ่าวที่เสียชีวิตได้ไปเข้าฝันกับครอบครัวของเขาว่าไม่อยากไปไหนยังอยากอยู่บ้านหลังนี้จึงได้นำศพของทั้งคู่มาใส่โลงแล้วจ้างคนมาฉีดยาสบเมื่อถึงเวลาทั้งยังมีแม่บ้านคอยสับเปลี่ยนกันมาทั้งความสะอาดอยู่เสมอ ส่วนป้าแกนั้นก็มีหน้าที่เอากับข้าวมาส่งให้ทุกวันพระซึ่งป้าแกก็เคยเป็นคนที่อาศัยอยู่บ้านหลังนี้ด้วยและที่มาช่วยนั้นเพราะเจ้านายที่นอนอยู่ในโรงเคยมีบุญคุณกับป้าเท่านั้นเองซึ่งเรื่องนี้น่าจะเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างหนังเรื่องตีสามตอนเรือนหอคนตายด้วยนี่ เป็นเรื่องราวส่วนหนึ่งของผู้ที่อยู่อาศัยในบริเวณนั้นหรือได้ผ่านไปยังบริเวณบ้านหลังนั้นได้กล่าวว่าบ้านก็อยู่ใกล้ๆนะเคยเห็นตอนสร้างเสร็จรแรกๆมีปาร์ตี้กลางสนามครอบครัวมีความสุขสนุกสนานมีพ่อแม่ปู่ย่าตายายเด็กๆหลายคนก็วิ่งเล่นกันสนุกสนานแต่ก็เห็นแค่ครั้งนั้นครั้งเดียวจากนั้นก็ไม่เคยเห็นภาพดีๆอะไรแบบนั้นอีกเลยทุกวันนี้ผ่านไป ก็มักจะเห็นคนสวนเดินกวาดใบไม้ตอนกลางวันก็มีผู้หญิงลักษณะดูแล้วน่าจะเป็นแม่บ้านเดินอยู่ในบ้านนอกบ้านบ้างบางครั้งตอนกลางคืนก็เปิดไฟไว้นอกบ้านผมยืนยันได้เลยว่าไม่มีคนอยู่แน่นอนและจะมีเพียงห้องเดียวเท่านั้นที่เปิดผ้าม่านหน้าตา่าง สมภัทสยอง